พระนางมหาประชาบดีโคตมีกราบทูล ถ, ถามถึงสิกขาบทครั้งนั้นพระนางมหาประชาบดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควร นางมหาประชาบดีโคตมีผู้ยืนอยู่ณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายอย่างไรพระผู้มีพระภาคกรัสว่าโคตมีพวกเธอ จงศึกษาสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายเหมือนที่ภิกษุทั้งหลายศึกษากันฉะนั้นพระนางทูลถามว่าพระพุทธเจ้าข่าพวกหม่อมฉันจะปฏิบัติในสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นอัสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสว่าโคตมีพวกเธอจงศึกษาสิกขาบทของภิกษุณีทั้งหลายที่เป็นอาสาธารณบัญญัติกับภิกษุทั้งหลายตามที่เราบัญญัติไว้